แนะนำบทอัลกอริยาบทอัลกอริยาเป็นบทมักกิ亚马ที่กล่าวถึงวันเกียร์มาและความน่ากลัวของมันและสิ่งที่จะเกิดขึ้นเช่นเหตุการณ์ต่างๆที่ยิ่งใหญ่และน่าหวาดกลัวอัทิเช่นการออกมาของมนุษย์จากสุสานการแพร่กระจายของพวกเขาในวันอันน่ากลัวนั้นเสมือนกับมแมลงเม้าที่บินกระจายว่อนไปทั่วทุกขนทุกแข่งเดินไปเดินมาอย่างไม่มีระเบียบเพราะความงงงวยและความตกใจของพวกเขา บทนี้ได้กล่าวถึงการระเบิดของภูเขาและการกระจายว่อนของมันจนกระทั่งกลายเป็นเสมือนขนสัตว์ที่ปลิวว้อนอยู่ในอากาศหลังจากที่มันแข็งตัวมั่นคงอยู่ในแผ่นดินมีการเปรียบเทียบมนุษย์กับภูเขาทั้งนี้เป็นการเตือนให้ตระหนักถึงผลของอัลกอริอัที่ได้เกิดขึ้นแก่ภูเขาจนกระทั่งกลายเป็นขนสัตว์ที่ปลิววอนอยู่ในอากาศและจะเกิดอะไรขึ้นกับสภาพของมนุษย์ในวันแห่งความยากลาบากนั้น บทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงตราชูซึ่งจะช่างการงานของมนุษย์มนุษย์จะแบ่งออกเป็นสองจำพวกคือบรรดาผู้มีความสุขและบรรดาผู้มีความทุกข์ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความหนักและความเบาของตราชูบทถูกขนานนามว่าอัลกอริเพราะมันจะเคาะจิตใจและการฟังให้ตระหนักถึงความหายนะที่จะเกิดขึ้น ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ عة, มอัลกออริยาอัลกอริยานั้นคืออะไ ร, ะ อ, ร, ระอะไรเล่าที่ทําให้เจ้ารู้ว่าอัลกอริยานั้นคืออะไรเ ว, วันที่มนุษย์จะเป็นเช่นแมลงเม่าที่กระจายวัน ال ال และบรรดาภูเขาจะเป็นเช่นขนสัตว์ที่ปลิวว่อนส่วนผู้ที่ตาชูของเขาหนักเขาก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผาสุก และส่วนผู้ที่ตาชูของเขาเบาที่พานักของเขาก็คือเหวลึก ah, และอะไรเล่าที่จะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าฮาวิยะ ah คืออะไรคือไฟอันร้อนแรง